บทที่ของธรมาเลื่อมใสที่สุดถามว่าทำไมจึงเลื่อมใสบทสวดมนต์เช้ามากตอบว่าเพราะว่าเห็นพระพุทธศาสนาได้ชัดเจนคือคือชื่นชมว่าโบราณโบราณอาจารย์โบราณอาจารย์นี่หมายถึงคนไทยนยคนไทยอาจจะสมัยกรุงศรีอยุธ ย, ยาหรือรัตนโกสินทร์ตอนต้น ท่านเก่งมากท่านประมวลให้เราเห็นพระพุทธศาสนาเลยเนี่ยนะอย่างพุทธาพิทูติงก็คือคํามาร่วมสรรเสริญพระพุทธเจ้ากันนะว่าพระพุทธเจ้าประกอบด้วยอรหันตคุณเป็นต้นก็ไล่ไปด้วยอรหันทรัมมาสัมพุทโธ ว, วิชาจารณะทัมปันโนสุปโตเนี่ยนะนะหรือแล้วก็แสดงถึงพระธรรมของพระองค์เป็นธรรม ท, ที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นเนะี่ย พระสงฆ์ก็คือผู้ปฏิบัติดีแล้วเป็นต้นมันก็ขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอบูชาอย่างยิ่งพระพุทธซึ่งพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวอันนี้เป็นการถึงไตรสารณคมแบบถึงสารณคมแบบด้วยการนอบน้อมอาจไม่จําเป็นต้องกล่าวคาว่าพุทธังสารณังขะฉามีก็ได้คําว่านอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าว หรือว่าบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอันนี้ก็เป็นการถึงไตราสารณาคมแล้วก็เป็นการสรรเสริญพระพุทธคุณอีกในหนึ่งก็คือพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุจทวงมหนันโคําเหล่านี้ก็เป็นคําสรรเสริญพระพุทธคุณแล้วก็ถึงไตราสารณาคมด้วยทีนี้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเนี่ยเกิดขึ้นในโลกมีคุณสมบัติอย่างนี้ พระธรรมที่พระองค์แสดงเนี่ยเป็นธรรมที่นำออกจากทุกจริงนะซึ่งเราทั้งหลายเป็นผู้มีทุกข์ใช่ไหมถ้าธรรมที่พระองค์สอนเป็นธรรมที่นำออกจากทุกแล้วเรามีทุกข์อะไรบ้างทุกข์สามันเลยนะเอาแบบทุกข์ามันก่อนทุกข์ามันก็คือหนึ่งโดยความเกิดเรานี่ยังไม่ได้พ้นจากการเกิดเลย2โดยความแก่และความตายโดยความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค้นใจทั้งหลาย อันนี้คือความทุกข์ที่เรามีอยู่ที่อยู่ในวัฏฏะนะทุกคนจะประจวบกับกองทุกข์เหล่านี้ทั้งหมดทีนี้เมื่อเรามีทุกข์อย่างนี้ขึ้นพระธรรมที่พระองค์สอนพระธรรมที่พระองค์แสดงนําออกจากทุกข์นนะเหมือนกับว่ามีทางเลือกให้เราละคือเมื่อก่อนเรามีแต่ทุกข์ไปในเบื้องหน้าแล้ว น, นะทุกขะเปรตามีทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วทำจะไนการทำที่สุดแห่งกองทุกข์จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้ เหมือนกับว่าชีวิตมันช่างอาภัพเหลือเกินมันประกาศถึงว่าความที่เราอยู่ในกองทุกเนี่ยนะมันเป็นคําที่ชี้ชัดตรงสภาวะของเราดีว่าเออเราเป็นอย่างนี้กันน ะ, ะรเรามีทุกเป็นเบื้องหน้าจริงๆมีทุกอย่างลงจริงๆอะไรบ้างหนอที่คิดถึงแล้วไม่เป็นทุกขหายากเต็มทีเพราะอะไรเพราะมีทุกเนี่ยใช่เลยใช่ไหมนํามาซึ่งทุกกระทุกทุกเรื่องทุกเรื่องเลยที่เข้าไปเกี่ยวข้องเชื่อไหม นำมาซึ่งความลำบากใจจนได้มีทุกเป็นเบื้องหน้าแล้วเอาเอไปจับตรงไหนก็ได้จับอะไรก็ได้ที่บอกว่าไม่นํามาซึ่งทุกถ้าใครหาเจอนะผู้มีบุญทำที่แตะแล้วไม่ต้องทุกเลยคือนิพพานอย่างเดียวส่วนที่เหลือนะัแตะเป็นเมื่อไหร่เป็นได้เรื่องอะไรก็ตามเถอะมณสิการเถอะร้อนจริงๆเพราะเป็นที่ตั้งแห่งความร้อนด้วยไฟคือราคะเป็นที่ตั้งแห่งความร้อนด้วยไฟคือ โทษะเป็นที่ตั้งแห่งความร้อนด้วยไฟคือโมหะแล้วก็ลำบากกายลำบากใจเข้ามาจนได้แปลว่าไปเปื้อนบาปกลับมาจนได้แต่พูดแบบภาษาโรคไงก็บอกติดเชื้ออีกมาจนได้เนี่ยนะเลยแล้วแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องที่เราไปเกี่ยวข้องนี่เป็นโรคประเภทบาด ท, ทยักด้วยเอาเกือบตายเกือบทุกเรื่องมาเลยนะตายจากกุศลเนี่ยตายมานานแล้วกุศลเนี่ยตกกราวไปหมดเลยเหลือแต่อกุศลเหลือแต่ความลำบากใจเหลือแต่ความคับแค้นใจ เพราะฉะนั้นอันนี้คือกองทุกขที่เรามีอยู่ที่เราเป็นอยู่พระองค์นั้นสอนให้เราออกจากทุกขคือพระธรรมที่พระองค์แสดงเน้นําออกจากทุกจริงๆสรุปว่าทุกข์ที่เราเป็นอยู่เรามีทุกอะไรกันสรุปไหมเมื่อกี้บอกไวใช่ัหมชาติที่ทุกชราทุกปยาที่ทุกมรณะทุกโศกปฏิเทวะทุกกระทมัตและอุปาญาตทุกปรารถนาไม่สมหวังก็ทุกประจวบกับสิ่งที่เราไม่ชอบก็ทุก พระพรากจากสิ่งที่เราพอใจกับทุกปองทุกเหล่านี้ว่าโดยย่อคืออะไรอุปาทานขันห้าแต่ถ้าอายตนะสูตรท่านบอกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจคือตัวทุกตัวทุกก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจทำไงนะที่สุดแห่งตาหูจมูกลิ้นกายใจจะพึงปรากฏชัดแก่เราได้อันนี้ถ้าถ้าใครจับประเด็นมาตรงนี้ได้นะเข้าใจผู้าศาสนาไปครึ่งนึ่งแล้วแล้วจะไม่เป๊ด้วย ไม่งนนั้นี่โครงสร้างอันนี้ก็ยังไม่เข้าใจนะของมายังงองว่าปฏิบัติให้มันเป็นอะไรกันเนอะันสรุปว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจคือตัวทุกทวารตาลืมตานั่นแหละขันห้าเกิด ข, ขึ้นแล้วหูได้ยินเสียงก็คือขันห้าจมูกรู้กลิ่นก็คือขันห้าลิ้นรู้รสก็คือขันห้ากายรับกระทบโพธาภขณะนั้นก็คือขันห้าทุกครั้งที่คิดขณะนั้นคือ ขันท่าที่สุดแห่งทุกเหล่านี้อยู่ที่ไหนเนาอ่นนะเจอไหมหาเจอไหมนั่นท่าแล้วพระธรรมที่พระองค์แสดงเนี่ยเป็นธําเครื่องนําออกจากทุกเอ้นําเราออกจากตาได้ยังไงนําออกจากหูได้ยังไงนําออกจากจมูกได้ยังไงนําออกจากลิ้นได้ยังไงนําออกจากกายและใจได้อย่างไรอ่นนะเราเราจะออกจากกองทุกเหล่านี้ได้อย่างไรอ่นนะใครใครพอนึกออกเลยใช่ไหมอ๋อ เอาตามโลกละดีโรถ้สูตรพกะจำสูตรนี้ได้เอาสูตรนี้ไปก่อนเนี่ยนะใช่ไหมก็อย่างว่านะถขันห้าทวารตานะตากับสีเป็นอะไรขันรูปขันจิตเห็นเป็นวิญญ <Yeah. S 1> าณขันพัสสะเจตนาเป็นสังขารขันรูปปัสสัญญาเป็นสัญญาขันมันลืมตานะทุกครั้งที่ลืมตาเนี่ยคือขันห้าประชุมกันเห็นเนี่ยตอนเห็นเนี่ยขันห้าประชุมกันตอนเราสวดนะเราบอกเลยนี้อุปาทานขันห้าเป็นตัวทุก แต่เราเนะียนี่คือตัวสุขเ อ, อเราเห็นตรงกันข้ามกับพระพุทธเจ้าเยอะงงินนะเอาสิเราไปเห็นของที่เราชอบใจเออนี่ตัวทุกข์ใช่เลยใช่ไหมน้อยนักที่จะคิดอย่างนี้เพราะว่าวันหนึ่งนะัมมานัการว่าการเห็นนี่แหละคือตัวทุกข์น้อยมะเอาเอาอัจฉริยะสายจะออกแบบพวกอา่านเนี่ยเบื่อเต็มทีแล้วว่าต่างนี่คิดอย่างนี้หรือเปล่ากันนั่นน่ะนะนี่เนี่ยลืมตามเออนี่ตัวทุกข์ใช่เลย หูได้ยินเสียงเนี่ยเสียงอะไรก็ได้เสียงพ่อเสียงแม่เสียงเรียกคำว่าพ่อเรียกว่าปู่ร่ายย่าตายายเรียกว่าพี่เรียกว่าน้องเรียกว่าโอ้ที่รักเป็นที่พอใจเนี่ยนะเสียงที่ไพเราะที่สุดฟังเลยนี่แหละคือตัวทุกข์แต่ถ้าหากว่าท่านทั้งหลายมีความเข้าใจแบบนั้นจริงนะท่านใดเดินตามรอยพระ้าหั่นแล้วกําลังของพผ้รหั่นเนี่ยขอย้ําอีกครั้งว่าคืออะไร กำลังของท่านนะท่านสังขารทุกชนิดที่ท่านมานาสิการนะไตรลับหมดเลยไม่มีสังขารใดที่ท่านจะ เ, เห็นว่าเที่ยงสุขงามยั่งยืนอัตตามไม่มีแม้แต่สังขารเดียวแล้วท่านเชื่อว่าไอ้ความชอบใจอันนั้นเน่ยเหมือนแต่ลุมฐานเพลิงลุกโชนร้อนระอุไปหมดเลยนะไอ้ความชอบใจในสิ่งเหล่านั้นนะพระถามว่าชอบใจอะไรแล้วไม่นํามาซึ่งความทุกข์หรือไม่นํามาซึ่งวัฏตะมีไหม ไม่มีน ะ, ะวิจารณญาณตรงนี้ท่านแม่นยำมากนะเพราะท่านเห็นแพงตลอดทมเป็นที่ดับทุกเหล่านั้นแล้วใช่ไหมอย่างก็ยังไงก็ต้องไม่ลืมประเด็นนะของมาจะต้องเอาเอ า, เอาเรื่องนี้เป็นหลักเลยนะเอาไปคิดให้มากๆจักขู่จักขู่สมุทัยจักขูนิโรจักขูนิโรถ้าคามิมีปฏิปทาเพราะตัวดับทุกคือจักขู่นิโรตัวดับทุกคือโสตนิโรตัวดับทุกคืออะไร ขณะนิโรธตัวดับทุกข์คือเชีวหานิโรธตัวดับทุกข์คือกายานิโรธตัวดับทุกข์ก็คือตัวมโนนิโรธเพราะตัวทุกข์คือตัวตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าดับตาหูจ ม, มูกลิ้นได้กายใจได้เป็นสุขไอแต่ว่าเขาบอกว่าไอความเห็นอันนี้ระหว่างพระอริยะกับปุถุชนเนี่ยเป็นศัตรูกันเป็นข้าศึกกันพระอริยะท่ า, านบอกว่าดับตาได้เป็นสุขปุถุชนบอกว่าดับตานี้เป็นทุกข์นะเนี่ย ปุตุชนบอกว่าโอ้มีหูนี่สุกมากภราริยะท่านบอกว่าดับหูได้เป็นสุกอันนี้คือความเห็นที่แค่เป็นแย้งกันเป็นฆ่าสึกแก่กันและกันของเราดูว่าจะน้อมไปทางอริยะหรือน้อมไปทางปุตุชนก็ต้องว่ากันเป็นทักพั ก, พกใช่ไหมว่าเป็นขณะขณะไปนะะหลายขณะเป็นปุตุชนอีกขณะก็ตามสายพระอาริยะมันจะดูว่า ผู้ทางสารนังคฉามิเราจะแน่นอนขนาดไหนโดยเฉพาะทำมังสารนังคฉามินะคนที่เปล่งวาจากล่าวว่าทำมังสารนังคฉามิเนี่ยแปลว่าเขาเห็นด้วยว่าดับจักขุเป็นความดีดับโซตับเป็นความดีดับคานะเป็นความดีดับชิวหาเป็นความดีดับกายเป็นความดีดับใจได้เป็นความดีถ้าดับกองทุกเหล่านี้ได้ก็จบเป็นอันจบแหละว่าตะอันนี้ทําจะไหนเนาะจะดับสิ่งเหล่านี้ได้ นะพระพุทธเจ้านั้นเมื่อยังทรงมีพระชนอยู่ย่อมทรงแนะนําสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจําเนกอย่างนี้ว่าจะขู่เที่ยงหรือไม่เทียเท่ยงไปเที่ยงเงี้ยสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือ n อที่จะตามเห็นว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตราของเราสมควรไหมไม่สมควรอย่างยิ่งเนี่ยนะแต่ว่า ไอ้อย่างนี้มันก็ตรงกันข้ามกับของเราอีกของเราบอกนั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราก็ชิ่อได้ไหตาก็ของเราสิใช่หการเห็นก็เราเห็นเรานี่เห็นชัดกับคนอื่นเอ้เราอยากเห็นเราก็เห็นไม่อยากเห็นเราก็หลับตาเราก็มีอำนาจในการเห็นหมดเลยนี่คือปุถุชนทั้งหลายตามเห็นว่านี้เรานี่ของเรานั่นอัตตาของเราเป็นความเห็นที่ขัดแย้งกับพระอริยะหมดเลยทุกเรื่อง กืทุกเรื่องเลยว่างั้นเถอแต่ทีนี้เมื่อไหร่ที่เราโอนไปตามที่พระอริยะท่านสอนโอนไปตามเอน็นไปตามโน้มไปตามเงื้อมไปตามว่าสังขารไม่เที่ยงนะตามไม่เที่ยงสิ่งที่ไม่เที่ยงนี่มันเป็นทุกข์สิ่งที่มันเป็นทุกข์นี่แหละเป็นอนัตตาเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่านั่นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราแล้วก็ยังมีสูตรที่ย้ําอยู่เสมอว่าตามไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงละตาเสียตาที่เธอทั้งหลายละแล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขนี่นะก็คิดดูนะพระองค์ก็ชี้ทางชัดเจนอยู่แล้วใช่ไหมว่าถ้าตัดฉั้นทราคะในสิ่งเหล่านี้ได้เป็นสุขที่นี้เราจะมาลูบๆคำํคำๆว่ายังไงถึงจะตัดชันทราคะในตาได้เนี่ยนะตัดความเยื่อใยในการเห็นได้นี่ทำได้ยังไงอันนี้คือคือวิธีการนะั่นะนั่นแหละคือข้อปฏิบัติที่พระองค์แนะนําเอาไว้แนะนําเอาไว้ว่า ปฏิบัติเช่นไรเนาะจึงจะดับตาได้จึงจะดับหูได้ดับจมูกได้ดับลิ้นได้ดับกายได้ดับใจได้ทีนี้ถ้ายังดับไม่ได้อยังชอบอยู่ว่างั้นเถอะเออดับก็ดีนะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่อยากจะดับนะนะแล้วเขามีคนเสนอมาแบบนี้ว่าไงกันออดับดีไหมดีแต่ก็มีอะไรที่น่าดูอีกตั้งเยอะแยะไปหมดเลยยังดูไม่จบเลยเนี่ยหูดับดีไหมดีแต่ว่ายังมีอะไรที่อยากฟังอีกทั้งหลายเรื่อง ดับจมูกดีไหม ย, ยังอยากใช้น้ําหอมอีกตั้งหลายยี่ห้ออย่างเงี้ยลิ้นนี่ดับดีไหมดีแต่ว่าอาหารมันอร่อยเหลือเกินร้านนั้นก็ดีร้านนี้ก็ใช้ได้ร้านนั้นก็ใหม่เลวเออร้านนั้นก็ถูกถูกใจมากนะ อ, อ, อร่อยเป็นหมดเลยแค่นี้นดับใจดีไหมดีเ อ, อแต่มันก็ยังกระฉับกระเฉงอยู่นะมันจะป่วยบ้างก็พังพอมียาดับใจนะเออบางครั้งมันก็สนุกดี อ, อ, อ, อก็คืออีกพักหนึ่งเราก็เห็นด้วยที่จะดับอีกพักหนึ่งเราก็ ไม่เห็นด้วยเพรา ะ, ะเราก็เนี่ยแหละปุถุชนจะเรียกว่าผู้ศึกษาก็ไม่ใช่ไม่ศึกษาก็ไม่ใช่เนว่าเสกาหาเสกขาเนี่ยนะทีนี้เมื่อเราชัดเจนอย่างเงี้ยเราถึงยังไงก็ตามเธอเราก็ไม่ขอเดินตามพยมานที่พยมานเสี่ยมสอนใช่ไหมสอนว่าเที่ยงสุขงามยั่งยืนและอัตตาจะขอเดินตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนถึงจะปฏิบัติทั้งน้าตาก็เอานะท่านบอกว่ามันไม่เที่ยงเราก็ว่าเที่ยงแต่เออต้องไม่เที่ยงตามะนะขอเชื่อและโอนตามอย่างเดียว เรามาคิดดูแล้วนะว่าเออมันก็ไม่เที่ยงจริงๆนะคิดตามท่านเมื่อไหร่ก็เออใช่ถึงตอนนี้ยังฝืนความรู้สึกว่าเที่ยงบ้างก็ต้องยอมต้องยอมว่าเออถ้าเห็นว่าไม่เที่ยงนี่ดีจริงก็ต้องยอมไปก่อนเออมันก็สุขดีนะแต่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นทุกข์อันนี้ก็ต้องเชื่อพระองค์ยอมเออทุกข์ก็ทุกข์เชื่อแล้วพระเจ้าค่ะว่าทุกข์นะนะแต่ตอนนี้ยังเชื่อไม่เต็มร้อยแต่ก็พอจะเชื่อบ้างแล้วว่าเป็นทุกข์เป็นอ น, นัตตาเนี่ยนะ ก็พอจะเชื่อได้บ้างนี่ตอนหลังแต่พระองค์ก็ย้าอยู่เสมอนะถ้าผู้ใดเห็นสังขารว่าเที่ยงตามเห็นสังขารว่าเป็นสุขตามเห็นสังขารว่าเป็นอัตตาเขาจะบรรลุอริยมรรคไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้เป็นไปไม่ได้หรอกถ้าเห็นว่าสังขารเที่ยงสุขแล้วก็อัตตาแต่ผู้ใดถ้าเห็นว่าสังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาเขาจะยังลงสู่สมมตินิยาม คือสา ม, มารถที่จะบรรลุอย่างนั้นได้อันนี้สารณะจึงมั่นคงแต่ทีนี้ถามว่าถ้ายังไม่ดูทําท่าแล้วจะพิจารณาตามก็ยากเหลือเกินอยง น, นี้ทํำยังไงก็มาชื่นชมพระพุทธเจ้าก่อนพระองค์ดับได้นี่ดีจริงนะคือคือเราจะได้ไปมั่นใจว่าเออข้อปฏิบัติเพื่อความดับนี่ดีจริงเราก็กลับไปเรียนเรื่องพระพุทธคุณว่าเออพระองค์ผู้ดับทุกเหล่านี้ได้แล้วท่านมีความสุขยังไงบ้าง เราก็เลยมาเป็นที่มาของการาทํายังไงจะได้สายทยายพผู้คุณได้มากแระเลือกถึงผู้ตะคุณได้เยอะสันเสริญพระธรรมคุณพระสังฆคุณจิตของเราจะได้โอนไปหาพระรัตนตรยัยโอนไปหาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือสมัยใหม่เป็นสมัยที่เรียกว่าขอปฏิบัติเองโดยที่ห่างไกลพระรัตนตรัยไปเรื่อยๆรืยๆเรืยๆโสตาปฏิยัคฆ่าธรรมเขาไม่มีเลยอันนี้เป็นเครื่องวัดง่ายๆนะหนึ่ง เขาฟังธรรมของสัตว์เอ่อคบสัตว์บุรุษก็น้อยฟังธรรมก็น้อยโยนิโสมรสิกานก็แทบไม่มีปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่โลกุตระธรรมก็ไม่พอพอปฏิบัติไปปฏิบัติมาก็บรรลุปเป็นพระอริยะขึ้นมาเยอะแยะไปหมดเลยสมัยใหม่นะอริยะสมัยใหม่เรียกว่าสู่แดนอริยะเข้ามาสู่โลกแห่งพระอริยะเนี่ยนะเขามีคําเหล่านี้ออกมาเยอะแ ย, ยะนะตอนนี้นะท่าเวลาไปเข้าไปเข้าค่ายใดรับที่ใดรับที่หนึ่งนะ ขอต้อนรับสู่แดนอริยะครัาวันนั้นโอ้ใช้คําแต่ละคําไม่ธรรมาดาแต่เชื่อไหมโสตาปัฏิยังฆะธรรมไม่มีเลยความมั่นคงในพระพุทธเจ้าไม่มีความมั่นคงในพระธรรมก็ไม่มีความมั่นคงในพระสงฆ์ก็ไม่มีพระพุทธเจ้าคือใครก็จะชายศิทธถะไงจริงไหมใช่ไหมถ้าพระพุทธเจ้าคือเจ้าชายสิทธะ งั้นก็ท่านคลอดมาปั๊บก็เป็นพระพุทธเจ้าเลยพระพุทธเจ้าเป็นคือใครคือเจ้าชายสิทธัตถะที่บัมเพนบารมีจนตรัสรู้อริยสัจด้วยโดยถูกต้องด้วยพระองค์เองตอนที่ท่านตรัสรู้อริยสัจบรรลุเป็นนั่นแหละจึงเรียกว่าเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะแต่ถ้าก่อนหน้านี้มาท่านเป็นพระโพธิสัตว์ผู้สแสวงหาโพธิญาณเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะ ทัานความเป็นพระพุทธเจ้ามีต่อเมื่อท่านเห็นอริยสัจแล้วก็ผู้ที่ตรัสรู้อริยสัจถ้าทํากิจบริบูรณ์เรียกว่าพระอราหันต์ผู้ที่เป็นพระอราหันต์แบบนี้ตรัสรู้ด้วยด้วยตัวท่านเองแล้วท่านก็ยังเอามาเอาข้อปฏิบัติที่ท่านทําเนี่ยมาบอกกล่าวแต่งตั้งบัญญัติเปิดเผยทําให้ตื่นให้รู้ง่ายว่านี้ทุกนะทุกเป็นอย่างนี้นี้สมุทัยเป็นอย่างนี้นี้ นิโรธเป็นอย่างนี้นี้ทุกขรนิโรธถ้ า, ามินีปฏิปทาเป็นเช่นนี้ท่านก็เลยมาบอกมาสอนแล้วเราก็มาเชื่อด้วยว่าถ้าผู้ใดทำ ต, ตามที่พระองค์สอนดับทุกข์ได้จริงดับทุกข์ได้จริงเพราะเราก็มาสํารวจตัวเราว่าวันวั น, วนหนึ่งเราคิดคําสอนได้แค่ไหนอยู่กับคําสอนได้มากไหมพระองค์ตรัสว่าถึงผู้ที่ฟังไม่มากเรียนไม่มากฟังแม้แต่คาถาบาดัดไอ้คาถาหนึ่งคาถา ประมาณสองบรรทัดแล้วเอาไปไปค้นคว้าวิจัยจนเห็นอริยสัจได้ก็เรียกว่าเป็นพระโหสูตรอันนี้เรียนแค่สองบรรทัดเนี่ยอันที่จริงของมาว่านะถ้าไม่อะไรมากมายเลยนะสวดมนต์แปลสวดมนต์เช้าเนี่ยไปปฏิบัติตามได้เลยถ้าไม่บรรลุเนี่ยมาคุยกับเอามาเชื่อเลยว่าคุณต้องทําที่สุดเอาทุกบทให้เคร่งครัดเลยนะแล้วต้องตั้งแต่แรกจนจบเลยนะไม่ใช่เอาบทใดบทหนึ่งมาท่องผู้โทผู้โธอย่างนี้ไม่ใช่นะหมายคือว่าเอาทั้งหมดตลอดสายเลย เอามาใหคร้ครัวเนี่ยถือหลักเพราะมาถือว่าโบราณอาจารย์ที่เป็นคนไทยที่เรียบเรียงคาถานี้ให้สวมดมนต์เนี่ยเก่งมาก น, นะเพราะไม่งั้นนะเราเราศึกษาไปเยอะๆใช่ไหมศึกษามากๆอ่านถ้าไตรปดกไปเยอะๆเองตกลงจะให้ทํำยังไงเนี่ยเลยไม่เข้าใจทิศทางอะไรชัดเจนแม้แต่อย่างเดียวเนี่ยนะก็ก็ไม่ชัดเจนเมื่อไม่ชัดเจนแล้วว่าเราเนี่ยจะเจริญไปที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงเป็นที่มาแห่งความ สับสนทุกคนก็จะว่าไปอย่างที่ตัวเองอยากจะว่าผิดบ้างถูกบ้างก็ก็เป็นไปตามนั้นแหละซึ่งไม่ดีไม่ดีเพรามันเราก็ให้มั่นคงในพระธรรตรายเธอนะอยู่กับพระธรรตรายคิดอะไรก็ได้ให้เป็นไปกับคําสอนเพราะคําสอนเนี่ยนะคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนมีรถเดียวถ้ายังเป็นไปกับคําสอนเนี่ยคำสอนมีรถเดียวคือวิมุติรถมันขอให้คิดในคําสอนให้มากที่สุดถึงจําได้ไม่มาก อะไรไม่มากนะก็แม้แต่สูตรเดียวก็ไปท่องบนสาธยายใครควรไปเดียปฏิบัติตามฐานสูตรก็ทําที่สุดแห่งทุกได้นะเจ้ปัญหาก็คือให้มันนึกได้จนชํานาญเลยนะเห็นใครก็เป็นผู้มีความเกิดเป็นธรรมดามีความแก่เป็นธรรมด า, ม, า, ม, รร ม, ดามีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดามีกรรมเป็นของของตนเป็นต้นเนี่ยถ้ามาใครควนปรักให้เพียงพอเนี่ยเชื่อเลยทําที่สุดแห่งทุกได้อนะ หลังจากการที่กล่าวถึงบทสวดมนต์เช้าเนี่ยอของมาก็อย่างที่ว่าประทับใจมากเพราะว่าเห็นหลักการเป็นข้อปฏิบัติที่ชัดเจนเห็นข้อปฏิบัติที่ชัดเจนว่าอะไรเป็นอะไรส่วนการเรียนการศึกษาอย่างอื่ น, นกเนนะ็เป็นตัวประกอบเนี่ยนะเป็นตัวประกอบที่จะเอาไปเจริญเอาไปปฏิบัติตาม